การให้ทานนี่ถ้าใครยังไปยึดมั่นถือมันในวัตถุทานเสียดายอะไรอยู่อย่างนี้นี่มันก็ให้ทานไม่ได้เลย<ม>ถ้าใจนี่สละออกไปได้แล้วไม่เสียดายไม่อะไรไปแล้วนี่ให้ทานได้เลย<ม>นี่ลองลองสังเกตดูสิคำสอนของพระ อ, องค์<ม>เป็นการสอนเพื่อให้ละความถือมันมืน ความยึดมั่นถือมั่นนี่นะมันพาให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จกจบจกสิน้นวันนี้ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในบาปมันนี่นั่นเองบาปมันก็พาไปสู่นระกอัมาเยภู ม, ม น, นั่นเองโอ้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สังวรระวังในสัตว์ทั้งหลายอย่าไปเบียดเบียนกันอย่างนี่น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 มันถึงากความยึดมั่นถือมันนั่นไม่ได้ผู้ที่ละได้ก็ น, นึงจากว่ามาพิจารณาเห็นแจมแจ้งในใจของตนแทๆ้ๆถ้าขืนยึดเรื่องชั่วอย่างนี้ไว้ตนก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยืวันนี้มันก็นึกเบื่อทกภายในสงสารคนมีปัญญานะ่ย อ, อันคนขาดปัญญาแล้วมันไม่เบื่อไม่รู้จกเบื่อ เพราะมันติดเยื่อล่อเยื่อล่อก็คือความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆอันเป็นทีน่ารักให่พอใจต่างๆอันนี้แหละมันมันยินดีอยู่ในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี่เพราะเหตุ น, นั้นมันจึงไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่มันสำคัญว่า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 มีแต่ก้มหน้าบริโภคไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> ดังนั้นคนเรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงมาเป็นที่อาศัยของกิจใจอยู่เสมอไปเมื่อนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วกรรมนั่นมันก็นําแปะให้เกิดอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงเหมือนเดิมนละ้อีก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 ผู้นั้นก็จะต้องได้ประสบกับความทุกข์ต่อไปแหละเพราะครามชั่วที่ตัวทำนั่นแหละมันคอยตามสะกดรอยอย่ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าผู้ใดทำความดีไว้มากมากลก่วความความชั่วอย่างนี้เวลาจวนจะตายมันก็นึกถึงความดีได้ได้ก่อนความดีมาปรากฏในใจ ตาไปมันก็ไปสวยผลแห่งบุญกุศลความดีนั่นก่อนไอ้คำชั่วที่ผู้นั้นทํานั้นอย่าไปนึกว่ามันสูญหายไปมันก็คอยเวลาอยู่นั่นแหละขอกรรมดีของผู้นั้นหมดลงไปเมื่อใดคำชั่วนั้นมันก็ให้ผลเมื่อนั้นในตําราท่านยังกล่าวไว้อยู่ว่าเทวดาบางตน่ะอยู่ไปอยู่ไป พอหมดอายุสังขารลงหนึ่ดิ่งลงไปสู่นรกเลยทีเดียวก็มี mm. อันนี้เพราะอะไรนะนั้นแหละเพราะบาป ก, กรรมที่ผู้นั้นทำเนะ่มันตามสะกดรอยเลื่อยไป mm. พอว่าบุญกรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนมันหมดอายุลงแนละ้วแม้จะเป็นเทวดาอยู่ก็ไม่ไหวแล้ววันนี้ mm. กรรมชั่วนั้นมันก็สุดข่าพาลงไปสู่นรกได้เลย <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ชีวิตของบุตุชนคนเรานะให้พากันสนใจให้มากมากความประสงค์ของพระพุทธเจ้านะที่ทรงแสดงคำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนะความประสงค์เบือ้องต้นนี้เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาตัวเอง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 ให้พุทธบริษัททั้งหลายละความชั่วนั้นเลยนี่ต้องพิจารณาดูให้ดีแม้ความดีก็เหมือนกันถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะทําให้เกิดให้มีได้พระองค์ก็จะไม่แนะนําสั่งสอนให้ทําความดีเลยจุดประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้น ล, ละความชั่วเสียให้หมดเลย <S <S ให้รวบรวมกําลังกายกําลังวาจากําลังใจ ทำเอาแต่ความดีล้วนๆ น, น, นี่เอยไปจนตลอดชีวิตนู่นนี้เมื่อบุคคลทำได้อย่างว่านีล้วก็เป็นอันว่า <c oughs> บาปกรรมความชั่วที่ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นซึ่งเป็นเพียงแค่ละหูกรรมคือกรรมเบานั่นมันจะตามไม่ทันนี่มันจะไม่ให้ผลต่อไปก็เป็นอโหสิกรรมไป นี่แหลขอให้พากันพิจารณาให้ดีคำสอนของผู้เทอเจ้านะอย่าไปละเลยเพียงแต่ขั้นต้นๆ น, นี่คนทั้งหลายก็ยังจะไม่รู้แจ้งซ้ำนะอย่าว่าแต่ขั้นสูงขึ้นไปเลยในเรื่องกรคำดีกคำชั่วนี่นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องกล้วยกล้วยนะเป็นหญ้าปากคอกนะถ้าใครรู้แจ้งในเรื่องกคำดีกคำชั่วนี่แล้ว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 มขขนขั้นสูงขึ้นต่อไปได้ก็หมดอายุสังขารไปก็มีสุคติเป็นที่ไปก็อย่างนี้แหละชีวิตของคนเรานะมันเนื่องอยู่ด้วยบุญด้วยบาปเนื่องอยู่ด้วยการกระทาอันบุคคลจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเอง นี่ก็เคยพูดมาบ่อยๆเลยแต่ผู้ฟังนั้นไม่ทราบลรวจะเห็นตามหรือไม่เห็นตามก็ไม่รู้นั่นแหละแต่สำหรับผู้พูดแล้วเชื่อร้อยเปอร์เซนตเลยเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าสองข้อนี้ร้อยเปอร์เซนตเลยเพราะฉะนั้นจึง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 เราก็จําเป็นบาปก็จําเป็นต้องได้ทําบาปอมนะถ้าไม่ทําอย่างนี้เพื่อนก็ว่าเอานั่นเรียกว่าตั้งอยู่ในพยาคติมีลำเอียงไปด้วยความกลัวกลัวคนอื่นว่าเอาแล้วก็ทําบาปอืก็เพราะความรักนั่นเป็นมูลเหตุนะถ้าไม่ไปรักลูกสาวเขาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไปทําบาปเช่นนั้น แม่ความรักอื่นๆก็เหมือนกันเลยมเมื่อหากว่ารักเกินขอบเขตไปแล้วมันก็ทำบาปแน่นอนทีเดียวความชังก็เหมือนกันนเมื่อมันชังเกินขอบเขตแล้วมันก็ทำบาปไปได้ดังนั้นให้พากันเห็นโทษแห่งคีเลศสองกองนี้ให้ได้ต้องพยายามขาจัดมันออกไปจากกิจใจ ด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการทำสมาธิภาวนาทำใจให้สงบลงไปด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนาให้บังเกิดขึ้นนี่แหละการที่จะละกิเลสสองกองนี่ให้บาบางออกไปจากกิจใจได้นะก็เพราะ มาเพียนพยายามละพยายามบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาให้เกิดขึ้นในดวงจิตนี้เองเนะไม่ใช่อย่างอื่นใดัา <c oughs> นบำเพ็ญศีลนั้นมันก็ไปเป็นไปตามเพศตามภูมิเป็นครือฮัตก็ต้องให้มีศีลห้านั่นเป็นนิจศีลไป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 ว่าตนได้บวชเป็นพระมาแล้วก็นึ่งว่าเป็นพระหรือไปไม่ใช่อย่างนั้นนะจะเป็นพระอยู่ได้ก็เพราะสัมรวมในวินยัยต้องนึกอย่างนั้นถ้าไม่สัมรวมในวินัยอยู่แล้วจะเป็นพระไปไม่ได้เลย mm hmm. เมื่อมีศีลดีเมื่อมีศีนบริสุทธิ์การบําเพ็ญสมาธิภาวนา ม, มันก็เป็นไปได้ง่ายทําใจให้สงบได้ง่าย mm hmm. เพราะว่ามันไม่มีบาปมารบ ก, กวนการที่จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยสงบลงไม่ได้นะั้นแสดงว่ามันมีบาปมารบ ก, กวนมันมีบาปอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่เจ้าตัวไม่รู้ดังนั้นทุกคนเมื่อภาวนาไปนะทํายังไงใจมันก็ไม่ลงเลยมันต้องทบทวนดูความเราเพลิด ว่าตนนั้นได้ประพฤติผิดอย่างไงบ้างอได้เผลออย่างไรบ้างถ้าไม่ได้ร่วงศึกขาบทพิในอย่างนี้มันก็เกี่ยวกับใจวะนี่ใจไปยึดไปถืออารมณ์ที่เป็นอดีตน่นมาอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เช่นไปยึดเอาอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังมาบางทีนะ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 ถ้าเราจับมูลเหตุไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ไม่รู้ว่าจะไปกาหนดละอะไรบ้างนี่มันจับมูลเหตุไม่ได้นะี่ดังนั้นข้อสำคัญจริงว่ามันอยู่ที่นี่นะเมื่อใจเมื่อสงบบางคนก็มา บ, บน่นโอ้ทายัางไงใจก็สงบไม่ได้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเนี่ยนี่ ก็จะไปวิตกสงสัยทำไมมันต้องมีมูลเหตุแหละที่ใจไม่สงบนั่นนะทบอถวนดูเลยมเมื่อทบทถวนแล้วมันต้องเห็นต้องรู้ถ้าว่าใจนี้นะไม่ไปยึดมั่นถือมันในอารมณ์อะไรหนึ่งที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ดีหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไมาถึงก็ดี ใจไม่ไปยึดไปถือเอาเลยอารมณ์ทั้งสองอย่างนี่นะมันไม่ลำบากอะไรแล้วพอมานั่งสมาธิเข้าไปน้อมสติน้อมลมกาหนดลมหายใจเข้าออกเข้าไปจิตมันก็ค่อยรวมลงรวมลงไปเลยเพราะมันไม่มันไม่วิตกไปถึงอารมณ์ใดๆนี่ไม่ได้ยึดมัน่นถือมั่นในอารมณ์ใดๆไวในอดีตอนาคตนะดังนั้นพอน้อมลงไปมันก็ส ง, งบลงไปได้ นี่แหละพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ให้พากันเข้าใจละความยึดมั่นในขั้นยาหยาบพันมาแล้วเ็วยังมามายึดมั่นในขั้นกลางนี้อีกในอารมณ์อันกลางๆอันนี้เข้าไปก็ใจก็สงบลงไม่ได้ฮะเป็นอย่างนั้นอันนั้นเราต้องเพียรพยายามละลงให้ได้อย่า อย่าปล่อยให้มันยึดมั่นถือมั่นไปนานคันปล่อยให้มันยึดมั่นถือมั่นไปนานน่ะยิ่งร้ายใหญ่ยิ่งแก้ไม่ตกอืานั่นแหละผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่อยู่ไม่ได้ซึกออกไปก็เพราะว่าใจมันไปยึดมั่นในอารมณ์ภายนอกนั่นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเลยอืายึดมั่นถือมั่นไว้อย่างเหนีวแน่นแล้วก็อยู่ไม่ได้ละอืา ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้แม่ผู้อยู่ครองเลือยก็เหมือนกันเลยเมื่อไปยึดมั่นถือมัน่นอารมณ์ภายนอกมากเข้าไปก็อย่างที่วามาแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเหตุแท้ไปทำบาปนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งมีฆ่าสัตว์เป็นต้นถ้าหากว่าบุคคลมาถ้าเคียนพยายามละความยึดมั่นถือมั่นในใจนี่ ลงไปเถอะยึดมันอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนั้นนะอพยายามละมันออกไปอย่างนี้เลยมันก็ไม่ได้ทําบาปจริงๆนะพอใจละความอยากต่างๆดังกล่าวมานั่นได้แล้วมันก็ไม่อยากแล้ววันนี้ไใ้ที่มันเคยอยากมาแต่ก่อนนะมันก็ไม่อยากเเช่นดืมเลา่างนี้นะพอใจมันออกได้แล้วอย่างนี้มันไม่อยากแล้ ว, วันนี้อ ต่อไปมันก็ไม่อยากแล้วเล่านันนะถ้าใจมันออกไม่ได้มันยังยึดถือรสชาติของเราอันนั้นอยู่นี่มันออกไม่ได้เลยมันต้องไปหาดื่มให้ได้เนี่ยพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นในวันนี้นะให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันมีอวิชชาควไม่รูป้ประกอบเข้าไปด้วย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 ก็มาพิจรารณาเห็นโทษแห่งความยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนต่อไปความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันเป็นบอ่อเกิดของกิเลสทุกประเภทเลยทีเดียวออะืมกิเลสทุกอย่างมันเป็นเหตุให้เกิดทุกทั้งนั้นก็ต้องสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้คนเราเนะ่ย ไม่ผอนใจตัวเองอย่างนี้มันก็ไม่เห็นโทษของกิเลสเรื่องมันนะเอาเห็นมันเป็นทุกข์ยังไงกิเลสมันเป็นทุกข์เกาะจะไปยากอะไรเล่ามันเนี่ยคนรู้อํานาจแข็งรักมันก็ไปครองเรือนมีผัวมีเมียเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วมันก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนทํามาฮาเลี่ยงชีพ นักเอาเบาสู้อะไรต่ออะไรจีปาถานั่นมันนั่นไม่ใช่ความทุกข์เหรือนั่นไม่ใช่เป็นทุกข์ก็ความรักหรือมันจะยากอะไรถ้าพิจารณามันนะไม่ยากสักหน่อยแต่คนมันไม่พิมันไม่พิพจารณาเรื่องมันนะเหตุที่มันจะไม่เบื่อไม่น่ายพู้ที่ท่านพิจารณาเห็นอย่างว่านี่นะท่านถึงเบื่อหน่ายจึงไม่คร อ, องเรือนเลยอืม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 ใครก็ไม่ยอมใครใครก็ยอมละความเกลียดความชังอันนั้นนเช่นนี้ล้วเอาที่สุดก็เลยต้องอย่าร่างกันไปอลูกกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกันญาติพี่น้องกับญาติพี่น้องก็เหมือนกันเลยหรือคนอื่นก็เหมือนกันที่มูลเหตุที่ใหญ่ทะเลาะวิวาดแตกสามัคคีกันได้ก็เพราะต่างคนต่างยึดมั่นอยู่ในความเกลียดความชัง ไม่ยอมละไม่ยอมถอนเนี่ยนั่นเช่นนั้นแนะ่ะมันจึงเป็นเหตุใไ้ ท, ทะเล้อวิวาทกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นคนเรานะต้องเห็นโทษในความหลงเมื่อตอนหลงมานับชาตินับภพไม่ถทวนแล้วหลงมายึดมั่นอยู่ในขันทางห้าอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วแหละที่ร่วงแล้วมาเราระลึกชาติถนหลังไม่ได้